พูดเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเราทำอย่างไรนอกจากทิศทางบ้างถอาใช้คำพูดบอกเกล่าแล้วไปมีการกระทำให้เห็นเหมือนอย่างคำที่พูดบางทีเอาไปทำมันยังก็เห็นในคำพูด สมูดเมื่อเอาไ ป, ไปเมื่อเอาไปประทมเมื่อเอาไปกระทาก็จะเกิดบทเรียนเกิดประสบการเรามาสร้างสติเราสร้างสติเราทำงานตัวเองเราสร้างงานให้ตัวเองงานชีวิตแต่ตอนเราสร้างงานให้แกคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นยิ่งทำงานมาก งานภายนอกก็ยิ่งจะตะวาดคนอื่นได้เก่งถ้าทำงานมากเกินไปงานหลายชั่วโมงทำให้ความโกดความเราร้อนคิดใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราทำงานให้ตัวเองงานความรู้สึกตัวให้สัมผัส ด, ดูดีๆ มันจะลึกซึ่งจะยิ่งมีสติมากเท่าไรก็ยิ่งจะเกิดความสงบเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งให้เรารู้สึกตัวแต่เวลาใดที่มันหลงคิดไปไม่ใช่ความรู้เราก็กลับรู้สึกตัว เวลาใดที่มันพุ้งซ่านเราก็กลับมารู้สึกตัวกลับม า, ลมาให้ทันขวัดทันเวลาทันเหตุการณ์พรริ่สึกตัวที่เปเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ทันเหตุการณ์ถ้าไม่ทันเหตุการณ์ก็จะไม่ได้บทเรียนที่ดีเห็นเวลาใดที่มันคิดเราสู้สึกตัวเวลาใดที่มันง่วงเราหานอน ก็พยายามลูบสึกตัวเอามันลูบความลูบสึกตัวไม่เพียงพอก็อาศัยอริบทช่วยเดินลุกขึ้นเดินจงกรมพอใดที่มันมีจุกมีทุกข์ก็ตามอะไรก็ตามพยายามที่จะมีความลูบสึกตัวความลูบสึกตัวนี่นําไปก่อนอย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลแม้ยังไม่ลูบอะไรก็ให้มีความลูบสึกตัวถูกต้องที่สุด อางทีไปหาความรู้ไม่ใช่ความรู้จึกตัวเนี่ยไม่ต้องหาเราสร้างอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วความรู้สึกตัวนี่แหละที่ถูกต้องที่สุดของทีจะกระโจนหอกจากความรู้สึกตัวไ ป, ตไปคิดถ้าเหตุถาผลไปคิดหาคำพูดมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ที่คนอื่นพูดอันนั้นไม่ต้องเราไม่ต้องไปใแต่ความรู้สึกตัวความรู้ สึกตัวจะสร้างยานไม่ใช่ความคิดความคิดสร้างความคิดใครก็คิดได้ความคิดที่รู้โน้นรู้นี่ใครก็คิดได้ได้วาดมโนภาพทำให้เกิดความเข้าใจอันั้นทำได้ง่ายแต่วความรู้สึกตัวเนี่ยมันสร้างยานยานไม่ใช่ความคิดนะยานทัศสนาหรือ ถ้าไม่ใช่ยานนิทัศนนะก็เป็นทำรรมัวิจยะการสอดสอ่องหรือโยนิโสมนัสการเป็นการใส่ใจอันนี้ไม่ใช่ความคิดความรู้สึกตัวจะพาให้เกิดไปในทางนั้นเกิดปัญญาในทางนั้นเกิดการพบเห็นในทางนั้นความรู้สึกตัวแต่ถ้าความคิดเนี่ยจะเกิดความเข้าใจเกิด จำขึ้นมาคิดเหตุขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่พบเห็นผมรู้สึกตัวเกิดญาณทำให้เกิดการพบเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้ไม่ได้ปฏิเสธเห็นความงก็ได้เห็นความคิดก็ได้เห็นความลังเลสงสัยก็ได้เห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดปุดปวดโผล่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราเห็นก็ได้ถ้าได้เห็นแล้วก็ ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นถูกต้องเนี่ยก็ทําไปอย่างนี้ดําเนินไปอย่างนี้แหละบางทีว่าอาจจะเห็นเกิดทางนิมิตเกิดทางอะไรก็ไม่ได้ปฏิเสธเกิดทางญาณเกิดทางปัญญาเกิดเห็นรูปเห็นนามนัอะไรก็เป็นการพบเห็นเห็นของจริงเอาไว้ละ ความโกเป็นของจริงจริงแบบไม่จริงเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นของจริงจริงแบบไม่จริงจริงแบบจริงจริงก็เห็นตะพื้นตะพื้นไปโซภาวะที่เห็นที่พบเห็นที่ลู้เห็นไม่ใช่ตัวคิดเห็นตัวลู้เห็นตัวพบเห็นทั้งลู้ทั้งเห็นทั้งพบทั้งเห็นเห็นอะไรก็เห็นชัดเห็นแจ้ง เห็นความคิดที่มันหลอกตัวเองเราเห็นแจ้งแล้วจนจนจับตายไล่ทันจนขี้หน้ามันได้จับคาหนัง้าเขาตัวคิดตัวรับคิดเหมือนเป็นน้ำตัวนั่งอยู่นี่มันเป็นรูปบางทีถ้าเราไม่รูปมันก็มีอำนาจนก็ใหญ่ความคิดก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ป่งการตัวเราก็เป็นขี้ข้าของความคิดเป็นทาสของความคิด ถ้าเรารู้สึกมาแล้วก็จิตจ้อยใ้ยิ่งใหญ่อะไรเห็นตัวรู้สึกตัวก็ใหญ่กว่าสัมผัสดูแล้วถ้ารู้สึกตัวในหายวักอันอื่นไม่มีค่าเลยแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอันอื่นใหญ่กิเลสก็ใหญ่ความโลภความโกรธความหลงก็ใหญ่ความทุกข์ก็ใหญ่ความสุขก็ใหญ่ใหญ่จนเป็นธาต เทาความรู้สึดตัวหนึ่งเดียวความรูดสุดตัวหนึ่งเดียวอาจจะไม่ใช่ใหญ่อาจจะไม่ใช่อะไรคือเด่นความรูดสุดตัวนี้เป็นธรรมไม่ใช่ยิ่งใหญ่เป็นเป็นธรรมถ้าเป็นใหญ่ก็ใหญ่ในทางธรรมเอาไปประกบกับความหลงเอาไปประกบกับความทุกข์เอาไปประกบกับความโกรธไม่ไม่เป็นธรรม เรารู้สึกตัวเป็นธรรมกว่าแล้วก็เห็นแล้วไม่ต้องไปถามใครเป็นปัจจัตตังเห็นปัจจัตตังบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นความคิดเราดูของความคิดก็ไม่เห็นความคิดไม่เคยเห็นความสุขไม่เคยเห็นความทุกข์จะเป็นผู้สุขจะเป็นผู้ทุกข์ไม่เคยเห็นความ รอความหนาวความหิวแต่ก่อนนะพอมามีสติจะเกิดการเห็นความรอนความหนาวความหิวเห็นอันที่มันมีอยู่นี่แหละถ้าเห็นแล้วมันก่อรูกแก้งเห็นแล้วตัวเห็นตัวรูกตัวเห็นเก็ทำหน้าที่ตัวเห็นเนี่ยมันทำหน้าที่เห็นเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือกว่า เพราะว่าตัวเห็นนยทำหน้าที่ถ้าได้เห็นแล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรตัวปฏิบัตริรีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเขาคือตัวรูดสึกตัวเนี่ยไม่ใช่คนนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่อาจาโยกิณไม่ใช่ท่าเทพหลวงพ่อเลี้ยงจนจรยสงศินพระลพบดไดรลูกไดไม่ใช่คือความรูดสึกตัว ปฏิบัติด so, ีก really. uh, ็ค şey. ือความรู so ้สึกตัวปฏิบัติตรงก็คือความรู้สึกตัวปฏิบัติออกแก่ทุกข์ก็คือความรู้สึกตัวปฏิบัติตามสมควรก็คือความรู้สึกตัวตัวธรรมนั่นแหละนี่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติดีเรียกว่านักปฏิบัติก็คือความรู้สึกตัวน่นแล้วเราก็สร้างได้อยู่เราก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ ให้สัมผัสกับความรู้สึกตัวไปให้สัมผัสกับความรู้สึกตัวไปมันจะไกลใจจากความหลงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนกับเราเดินนั่งรถขึ้นเขาทางตาโตนทางชัยภูมินั่งรถมาป่าสุกโตมอทางตาโตนทางชัยภูมิ ไม่รู้สึกว่าวันขึ้นเขาพอค่อยลาดลาดลาดลาดขึ้นมาลาดขึ้นลงก็เหมือนกันไม่เลยไม่รู้สึกว่าลงเขาพอค่อยลาดลงลาดลงมันจะค่อยลาดขึ้นลาดขึ้นมันจะสะดวกความรู้สึกตัวเหมือนอย่างนั้นมันสะดวกไม่ใช่ขึ้นปึ๊บขึ้นไปเลยแบบนั้นอาจจะเป็นของปลอมปุ๊บขึ้นมาอ้าวอ ได้ยานโน้นได้ยานนี่อาจารย์ก็บอกว่ายานโน้นได้แล้วถึงยานสิบหกอะไรต่างๆคนอื่นบอกเราก็ว่าดตโนภาคมาด้เห็นอันโน้นเห็นอนี้ไปก็ปเลยกลายเป็นเรื่องอกิมต่ยานไปโดยปริยานทําลาย ค, ความโลภความโกรธความลงไม่ได้ทำลายกิเลสตัหาไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ย น, นวันไม่ร่วงพ้นภาวะเก่าเกแต่ถ้าลาดแบบความรู้สึกตัวมันค่อยขึ้นไปมองกับไบโอ้มันไกลไกลก่เก่าทุกใหม่แต่ก่อนเราอยู่โน อ, อยู่กับความโกรธอยู่กับความทุกข์อยู่กับความสุขวันนี้เราทําะไร ม, มาไม่เห็นความโกรธรีบปลีเห็นความทุกข์รีบปลีเห็นความโลภความหลงลิบปลีไกลจากตัวเราออกไป ถ้ามากบว่าเรานั่งอยู่บนฉลากไก่เห็นงูเลื่อยอยู่ข้างล่างนความรู้สึกของเราก็ปลอดภัยไม่มันงูอยู่ใกล้หน้าแค่งมนมาก็อนนั่งอยู่บนฉลากไก่เห็นงูจงอางเลื่อยอยู่โน่นก่อไข่มันก็เห็นอยู่แต่ว่ามันรีบปลีกันไ่ความรู้สึกเราก็ปลอดภัยเห็นความโกรธก็ปลอดภัยจากความโกรธเห็นความโลภความหลงก็ปลอดภัยจากความหลง เห็นความสุขความทุกข์ก็ปลอดภัยกับความสุขความทุกข์เห็นกิเลสตัณหาก็ปลอดภัยกับกิเลสตัณหามันเห็นไกลๆโน้นไม่ไกลเราแต่ก่อนมันจะคิดเราเลยพรโกรธตึ๊บเขาเลยพอทุกข์ตึ๊บเขาเลยพรหลงทึกบเขาเลหมดเมื่อหมดตัวไม่ไกลเลยอยู่กับตัวเราหวนเชื้อโลกเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วมันก็ต้องเก็บปวด ต้องเก็บปวดแต่เยี่ยวยาก็ยังเก็บปวดมันเราเป็นโลคที่กล้ที่กลาเกิดขึ้นเจรเราแล้วเมื่อรักษาอายาไปใส่มันก็ต้องแสบต้องเก็บปวดปวดที่มันจะหายเก็บปวดเช่นความโกรธทำให้เราเก็บปวดมันอยู่กับเราเรามาได้เห็นนะมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะปุบผับเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ตอนอื่นเราอะ คิดเปลี่ยนอย่างนั้นคิดเปลี่ยนอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างน่้นอย่างนี้ให้มีการกระทำแบบนี้ทำอย่างนี้นด้วยฝีมือของเราด้วยความรู้สึกตัวการปฏิบัติเราก็สัมผัสกันทุกวนักวนตวนรู้สึกตัวเราอยู่ลงไปบ้านเราทำงานเดินวันละเป็นหมื่นหมื่นเก้า กลับข้อหกลับขอห้องนีจับนโน้นจับอันนี้งานเร่งเรางานมันบังคับเราบางทีต้องวิ <se> ่ง e, ้ว <Kick> ว <Lady> ิ liquid, ่งจัดแ้วเราก็เห็นพยาบาลเดินเยปิวเวอะไร่นจัจจัดตามเส้นนันขอนั้นบาทีเราก็ไปตรวจโรคหมอพยาบาลบอกเดินตามมาเลยไม่ ที่นาทีหลงซุ่นไปเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนเต้องคืนมาเรียดเลยมันไว้มันจัดจัด จ, ดจดมันเล่นแต่ว่าการทําความเปลี่ยนมันจะว่าไวก็ไวจะว่านิ่มก็นิ่ม ม, มันไม่เหมือนกับทํางานข้างนอกมันไว้ไวที่สุดแล้วคมรู้สึกตัวไว้ไว้ที่สุดปั๊บสันเตโลสันเตโลสันเตไป เป็นเครื่องบินไปไปลงสนามบินที่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนี่ยเดินไม่เป็นเลยใช่ไหมจัมเบจิไปนั่สนามบินไม่เห็นใครเดินเลยนี่แต่วิ่คนญี่ปุ่นไปนั่งสนามบินนี่กินกันเนี่นี่ยเนี่ยเนก่น่ียเหมือนี่ะเ่ยยเน่ยนยเน่ยเนี่ยยนีี่ยเนี่ายนี่น่ยย่นี่นน่ เพรนั่นนี่การทำความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้ชิมดูเด็ดๆมันนุ่มนิ่มมันอ่อนโยนมันชกุกขมมันล อ, อบคอลองรู้เวลาใดที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวแล้วมันเป็นอย่างไงนิ่มไหมถ้าเราไม่รู้สึกตัวแบบนผังไปแล้วะเมื่ อ, อหน่ายเกิดข้ามเทียบกันมาอย่าไปรู้สึกตัวไว้ก่อนรู้สึกตัวไปก่อน เวลาใดที่มันง่วงเกิดว่ามันจะปึ๊บ้าไปเลยอย่างเรู้สึกตัวเลินตาขึ้นยืดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นมองกอไผ่นอนมองปลายไมน้นอนอย่ามองต่ตาๆจะจหลับตาลิปลี่ลื่ตาขึ้นเปิดม่านตาให้กว้ า, ตางตามความรู้สึกสูดลมเข้าใจสูดลมหายใจเข้าไปทมความรู้สึกออกไปดูยอดไผ่ดูซิ ดูก่อนเมฆดูทองฟ้าดูดวงอาทิตย์โอ้มันเป็นกลางวันนะนี่เราก็นอนมาแล้วกลางวันไม่ใช่เวลานอนบอกตัวเองตรงตรงกันมานะไม่ใช่อ่อนหาแนวลวกอ่ามปากขาวไม่ใช่นะต้องพุ่งต้องรู้สึกสันตีนี่คือความรู้สึกตัวมันไม่ไปกับอะไรไม่เปิดเปื้อนกับอะไรความรู้สึกตัว เห็นความคิดไม่เปื้อนๆกับความคิดอยู่กับความคิดหรือว่าเปื่อนกับความคิดอยู่กับความสุขก็เปิดเื่อนกับความสุขอยู่กับความทุกข์ก็เปื้อนกับความทุกข์ถ้าเห็นแล้วไม่เปิดเื่อนนี่ตัวปมวิจัตรเออที่เห็นสวัสดิ์ที่ดูเนี่ยปับเข้าไปก็เป็นปมวิจัตรประพฤต์ปมวิจัตรพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือตัวรูปสตัวนี้แล้ว ดูไปเห็นไปเนี่ยจับปั๊บเป็นภรมอาจารย์กันทีประพฤติพรมอาจารย์แต่ก่อนนี้ไม่ได้เรียกว่าพระพุทธไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรอกแต่สมัยปฐมมโพธิการตัดฉลุใหม่ใหม่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าประพฤทธพรมอาจารย์ประพฤติภมอาจารย์เจรถาพิขเวจาริกังโงชนะเฮตายะโจการุกังสะจงไปประกาศภรมอาจารย์ พร้อมทั้งอาตมาพร้อมทั้งพยัญชนะโลกาโนกรรมพยาเพื่อประโยชน์แก่โลกอารมณ์พนก็จํามาแต่ว่าเมื่อมาทําดูแล้วมันมันเป็นพรหมจักรความรู้สืบวนขอจับปั๊บลงไปบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเห็นความคิดตัวเองเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความหลงอันถ้าไหวเห็นเนี่ยมันเป็นจริงๆนะิงแต่ถ้าว่าเป็นเนี่ย ส้มซ้อเหมือนกับคนเมื่อสงสารสงสารตัวเองถ้าเป็นสุขสงสารตัวเองถ้าเป็นสุขสงสารตัวเองถ้าเป็นผู้ร้อนผู้หนาวผู้หิวเมื่อสงสา ร, ตา ร, าาสสารแต่ถ้าไปเห็นเนี่ยโอ้เรามีศักด์ศีแล้วเกิเป็นอย่างนั้นเมือว่ามีศักด์ศีเห็นอะไรมันหิวก็เห็นมันหิวมันร้อนก็เห็นมันร้อน มันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันสุกขก็เห็นมันสุขเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตนะไม่ต่ําต้อยแต่ถ้าเป็นเราต่ําต้อยมันก็ซ่อมซ่อมเหมือนคนที่หมดหมดสภาพนะแล้วก็หมดสภาพจริงๆไปโกรธนะหมดสภาพแล้วไปสุขไปทุกข์ก็หมดสภาพแล้วไปร่อนไปหนาวก็หมดสภาพแล้วหลวงพ่อเก่งว่าได้ชีวิตประเสริฐจริงๆชีวิตประเสริฐจะได้คืออะไรคือพระ ควเป็นพระเืออยคือชีวิตประเสริฐพระแต่ว่าชีวิตประเสริฐในตัวปฏิบัติอย่างนี้นไม่ต้องมาโคนผมหรออันพระพระที่ชีวิตประเสริฐแต่พระโคนผมน่ยก็คือพระสมมุติหรือว่าพระอริยะเจ้าถ้าพวกเราไม่ได้โคนผมเรียกว่าพระอริยะบุคคลมีคุณธรรมนนทเท่ากันมีคนสมบัติเท่ากัน ที่บริสุทธิ์เหมือนกันที่บริสุทธิ์เหมือนกันเนะี่ยยังเป็นการปฏิบัติยังเป็นเรื่องที่จะต้องบอกกันจริงๆมันเป็นเส้นผมบางโพเขา่าเป็นความคิดจะเห็นความคิดหรือเป็นผู้คิดจะเป็นเส้นผมนะมันเป็นผู้สุขหรือเห็นมันสุขเป็นผู้ทุกข์หรือเห็นมันทุกขนะ์ เส้นผมบังภูเขาเส้นผมน้อยๆแต่บังภูเขาได้แต่มันอยู่ใกล้เส้นผมมันอยู่ใกล้แต่ภูเขามันอยู่ไกลมันเลยบังได้ความฉุกมันบังมันมันใกล้ใกล้เห็นแล้วมันไกลนี่เปลีนมันก็ว่าเส้นผมมันบังมันดูดีๆเนี่ยมับขึ้นไปเนี่ยเป็นหน้ากระตือเรือรล้นมากการเจริญเต็ม กระตือรือร้นจริงๆถ้าถ้าได้นั่งสร้างจังหวะแล้วโอ้สุดหอยใจเดินจงกรมสุดหอยใจเลยรู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวดูตัวเองก็งามเดินจงกรมกลมก็งามนั่งก็งามถ้าได้ความรู้สึกตัวทําอะไรก็ตามไม่ไม่เห็นอะไรนะมันก็เห็นอยู่แล้วละ่ะไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเห็นความคิด เห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเห็นเวทนาเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตคือเห็นมันคิดเห็นกายคือเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นอาการก็เห็นมันรอดมันน่าเห็นมันสุกมันทุกข์มันเป็นอาการอาการนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ตัวกายเนี่ยเป็นตัวจับก็ได้สัมผัสก็ได้อาการสัมผัสด้วยเวทนาด้วยสุขด้วยทุกข์ มันเป็นอาการถ้าสุขถ้าทุกข์มันเป็นอาการไม่ใช่ตัวตนแต่เราก็ยังไปยึดเอาอยู่นะกูสุขกูทุกข์กูโกรธกูรักกูชั่ไปยึดเอาอันอาการเราถูกอาการมันตกหน้าเอาตกหน้าเอาเก็บปวดไปเก็บปวดไปจนตายก็้นไปบางคนนะถูกมันตกหน้าเอาเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวตนก็ยังเป็นดื้อเอาไปแย่งเอากูโกรธกูสุขกูทุกข์ กูรักกูฉันนะไม่ใช่ว่าใครหลวงพอ่อว่าหลวงพ่อเองถูกสิทธิเรานั้นตกหน้าเอาสมน้าหน้าเดี๋ยวนี้คนหัวลุกนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจว่าไม่สนใจไม่สนใจความสุขความทุกข์ไม่สนใจความร้อนความหนาวไม่สนใจอะไรต่างๆสนใจอย่างเดียวคือความรู้สึกตัว ก็ถือว่ารักก็สุดหัวใจเป็นยอดนักรักรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความร้อนความหนาวความเสู่ความทุกข์กมันเป็นอาการมันเกิดแล้วเกิเดดีแก้ไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่เราจะไปหวังครองหวังครองความรัก หวังครองความสุขหวังครองความทุกข์บาดอยากได้สุขแต่ว่ากลัวทุกข์เกลียดทุกข์เพะนั้นมันก็ครองครองทั้งสองอันรักสุขเกลียดทุกข์ถึงครองทั้งสองอย่างครองทั้งสองอย่างเป็นคู่เป็นบวกเป็นลบถ้ามีบวกก็ต้องมีลบถ้าไม่สุขก็ต้องมีทุกข์ถ้ามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย แล้วก็เลยเรียกว่าพรหมจรร์เป็นชีวิตชีเป็นชีคือหนึ่งแค่นั้นเดียวไม่ไมโคู่เป็นหนึ่งเดียวมองเห็นของไมโคู่เป็นโลกออกมานอกโลกซะไม่ต้องมีคู่รู้สึกตัวไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปลักไปชังไม่จําเป็นอไม่เป็นเป็นธรรมเลยถ้ารู้สึกเฉยเฉยไหนอันนี้เป็นธรรมที่สุบริสุทธิ์ไม่สิ้นเปลือง ไม่เปื้อนนะศึกษาไปนี่แหละกลับไปบ้านกลับไปไหนก็ทําำนี่แหละมันไม่ใช่อยู่ที่สุกโตดอกควมรู้จึกตัวอยู่กับเราขึ้นรถเมย์เดินไปตามทางทํางานทําการทํางานก็ทําเป็นไม่ใช่ให้งานคนทํางานงานเอาชีวิตไปกินหมดแต่ถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราทํา มาอาจารย์ปฏทัศน์ว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทําอะไรเรามีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัว <c oughs> ความรู้สึกตัวจะไปประเมินประเมินไปอย่างนั้นประเมินเป็นอย่างนี้นปนปนนไปสังเกตตัวบางคนก็รู้มากรู้มากก็สองขันมันหมายก็กลายเป็นอุอปกิเลสก็มี เป็นปินตญานเป็นวิปัสโนเปรียบเทียบกับคนอื่นสําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขาจะไปเปรียบเทียบจะไปเปรียบเทียบกับอะไรเพียงแต่เราลู่เราเปลี่ยนไม่ได้เร็วกว่าใครไม่ได้ดีกว่าใครเช็นวันโกรธเราเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธอย่างไรไม่ได้เร็วกว่าใครมันทุกข์เราเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เราลู่สึกแล้วล่ะตัวลู่สึกกันเลยเป็นตัวเปลี่ยน มันไม่ได้เร็วเลยออกกว่านอกโลกแล้วมีเท่าไรเปลี่ยนได้เท่านั้นมาเท่าไรเปลี่ยนหมดมาเท่าไรเปลี่ยนหมดเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่านักปฏิบัติอยู่ที่ไหนอยู่กับการเปลี่ยนปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วฝนตกก็เปลี่ยนไมุ่กฝนทุกก็เปลี่ยนไม่ต ก, ก, กแล้วเปลี่ยนหมดชีวิตเราต้องอยู่อย่างนี้อยู่ในโลกต้องทอาําอย่างนี้จะหลบหลีก การเปลี่ยนการเปลี inside, so ่ยนไล่กลายเป็นดีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าไม่ยอมเปลี่ยนถ้าโกรธหรือไม่ได้ไม่ได้ด่าแล้วไม่ยอมมันั้นไม่ได้เปลี่ยนเราอยู่กับโลกโลกทับถมแล้วถ้ากูได้โกรธหรือกูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธหรือกูไม่ได้ด่ามันกูไม่ยอมอันนั้ไม่ใช่อยู่ในโลกโลกทับถมถ้าเราเปลี่ยนให้เราอยู่เหนือมันเราอยู่เหนือเหนือโลก แต่ไห น, นก็อยู่เหนือโลกเดินอยู่บนถนนบนทางแต่แต่มีรถเก๋งรถเป็นเหมือนเขาก็อยู่เหนือโลกกว่าเขาก็ไม่ไม่มีอะไรทับถมี่แต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัว น, นี้แหละเป็นสมบัติของพวกเราอันนี้แหละเป็นสมบัตินี้แหละเป็นธรรมแต่ไปหาในสิ่งที่มันไม่มียกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทีคือดึ้นเรื่องไก็รู้ได้ทันที าหายใจก็รู้ได้พิษตาก็รู้ได้คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเท่านี้ตั้งต้นตรงนี้ท่กลางก็ที่นี้ที่สุดก็ที่นี้เป็นความรู้สึกตัวที่เดียวแห่งเดียวที่เดียวเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมเมืก็เราไปกินข้าวถึงเวลาไปกินข้าวฉลาหน้าที่เดิมเหมือนเดิม เท่นเดิมไปกินข้าวเท่นเดิมที่เดิมเหมือนเดิมถ้าจะกินข้าวก็ไปเท่นะถ้าจะไปห้องน้ำไปอาบน้ำก็ไปเท่นะถ้าไปนอนก็ไปเท่นะที่เดิมเหมือนเดิม น, นั่นเป็นเป็นเป็นการใช้ชีวิตของพวกเราแล้วการชีวิตพรทธมจัรก็ที่เดิมตรงนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอะไรก็ตามเป็นของรู้สึกตัวตะพึต์ตะพฤตไป ยากไหมคนสะอาดอ่าลูยสุดตัวทําครัวก็ลุยสุกตัวพาที่ทํางานหนักบางทีอาจจะหลงง่ายๆอาจจะหลงอาจจะมันหลวงพ่อว่าการทํางานหนักเนี่ยถ้าหลงมันจะตะบวตร้นตะบวตรหลวงพ่อเนี่ยสมัยตะก่อนเป็นนักทํางานที่หนักที่สุ ด, ดเวลาน่องทําอะไรเนี่ยล่องโอ้ไปเลย บางทีมือตกนองด้วยบางทีโกรธให้ควายบางทีโกรธให้ไถบางทีโกรธให้ลื่นลื่นมันจ่อหูนุ่งสมบูโตทาสร้างมาตีกันก็กลัวพวกนี้นะต้องโกรธให้ลิ้นลิ้จะลื่นไหมตคนกรุงเทพเร้จกลื่นไห ม, ไ, หมไม่เคยเห็นตัวลิ้นนะก็น้อยๆมันชอบเจ้าหูนะอะไรเสร็งหงวันไถนาต่อยจะไถนาก็มาไม่ด้มัวจะมาไล่ลื่นมันเจ้าหู โกรธให้ลืล่นเลยสิโกรธจนล่องออกมาเลยคันธนาด้วยกันจนมามองให้หลังหลักค้ายๆกับว่าพิแทตัวเองโกรธให้ตัวลืล่นหาถูกต่อก็โกรธให้ต่องัดอยู่งัดเล้วงัดเล่วไม่ออกต้องไปเอาบอกจอกมัดขุดลงไปตีควายบางทีโกรธให้ควายควายมันไถมันถูกต่อไงควายไม่เดินเราไม่ลุก้วโกรธให้ควาย ตีควายเพื่อจะให้มันไปตีไปมันก็ไม่ดันเอ๊ะมันเป็นไรขอมือไปคําดูในเลือดมันติดรากไว้อยู่โอ้ยพอจะก้มปากควายมันรู้กว่าเราเราเนี่ยมันบ้าเนี่ยไปโกรธไอ้ควายตีมันก็ไม่ไปถ้ามันไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะไถหักใช่ไหมคนสัตว์เอ๊ะมันลู้กว่าแล้อบางทีเนี่ยโอ้ยควาวยเมันกับทันว่าเทพว่า เทียนไก่ยังลูกกว่าเรานะไก่มันเลี้ยงลูกนั้นเราบา <c oughs> งทีอะไรวะเราไม่ลูกก็าไามัอะไรก็ดวนอย่าดวนนะอย่าดวนรักอย่ดวนโกรธะย่ดวนอะไรเอาพ่อดวนโกรธให้ควายไม่ดูหน้าดูหลังแต่แทะไตไถมันติดลาขึมาอยู่ในดินนั่นะ เป็นอย่างนั้นเพราะฉะั้นเรานะ่ยถ้าจะไปโกรธให้คนอื่นโกรธให้เราดีกว่ามาตตำหนิเราเรื่องของเขาเรื่องของเขาโกรธทาไมโกรธล้วกันได้อะไรไอชาติบ้าไอชาติบ้าบ้าเนะนี่ยเที่ยนก็โกรธเลยนะลูกของตัวเองแท้แท้ก็โกรธเลยมันะจะไปอะไรมันดีที่ตรงไหนลูกของเองลูกในไส้ยังไงจะไปโกรธ ภาษาลูกด่าตัวเองอาจจะจะง้อจะง่าบ้าถ้าเป็นดื่มดําไปกับความขวดมันว่ากับเราอย่างนั้นมันว่ากับเราอย่างนี้ไปไปทํานองนั้นไหมคุณสระอืมันว่าอย่างงั้นมันว่าอย่างนี้เ น, น, นี่ยดื่มดําไปกับความคิดปรุงแต่งไปตัวเองทุกข์ขอตายแล้วเพราะฉะนั้นเราลู่สึกตัวไว้ก่อนลู่สึกตัวไว้ก่อนนี่แหละ ลิขิตชีวิตของตัวเอง